ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยลาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องสภาสวะสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยอาสวะที่พึงละได้โดยวิธีการต่างๆรวมเจ็ดวิธีด้วยกันวิธีที่ห้า อาศวาที่พึงละได้เพราะการเว้นที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะ น, นั้นรับสั่งว่าภิสุในธรรมินายนี้พิจนารณาโดยแยกขายแล้วหลีกหนีช้างที่ดุร้ายม้าที่ดุร้ายโคที่ดุร้ายสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็เรื่อยมาถึงหอเห ย, ยียบเหวเผาผาอะไรต่างๆ คือพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยบคายแล้วเห็นว่าจะเป็นอันตรายก็งดเว้นเสียเช่นการไปในสถานที่ใดมีอันตรายรออยู่ข้างหน้าก็เว้นไม่ไป การนั่งเรือที่เพียบแปร่เนี่ยมันเสี่ยงอันตรายเกินไปก็ไม่ยอมไปหรือว่าทางนี้มีโจรผู้ร้ายทุกทุมก็ไม่ไปเราจะกินอะไรที่เป็นอันตรายเสี่ยงคิดว่ามันเสี่ยงอันตรายก็ไม่กินพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดโทษแก่ตนเอง จะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสถานที่จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆจะเป็นยาจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามเนี่ยล้าก็้าใจงดเว้นแต่เรามองแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องปฏิบัติง่ายเกินหนักเพราะอะไรเพราะว่าคนเป็นนันมากมักจะ ไปสนใจในเรื่องที่ตัวเองอยากเขียนอยากลิ้มอยากลองอยากสวดสอบอยากทดลองจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าอันตรายจากยาเสพติดเราก็พยายามเผยแพร่กันอยู่เป็นเวลานานก็เลยยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆเพียงแต่เปลี่ยนตัวยาแต่ว่าพิษภัยอันตรายก็ เหมือนเดิมเวลนี้คนก็ยังวิ่งเข้าหาสิ่งเสพติดเหล่านั้นกันอยู่จะมีการจับกลุมอะไรกันได้มากมายและปรากฏว่าขณะนี้ก็แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นมีคนก็เล่าว่าสามารถซื้อหาได้เหมือนกระทอฟฟี่ แต่ว่าจะจริงขนาดนั้นหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกหรือวันตาลาจากการพนันเรื่องที่ทรงสอนว่าเป็นทางเสื่อมทั้งหลายเนี่ยก็นับกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอะไรควรเว้นก็เว้นอะไรควรประพฤติก็ประพฤติ อะไรควรทําควรอยู่ควรไปควรกินควรเคี้ยวควรอะไรก็ตามถ้ายังซุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยก็งดเว้นหรือบางที่อาจจะต้องทิ้งอางในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยยาเนี่ยมีวันหมดอายุเครื่องดื่มต่างๆก็มีวันหมดอายุทั้งยานา้ำยาเม็ด ยาในรูปแบบต่างๆแม้แต่ยาฉีดยาทาในหลักต่างๆเนี่ยมันมีวันหมดอายุก่อนก่อนอื่นที่สุดก่อนจะบริโภคเนี่ยก็ต้องดูเสียก่อนให้ดูวันหมดอายุวันผิดวันหมดอายุอาจจะเจ อ, อยาที่หมดอายุแต่ว่าราคาแพงมากมันก็ต้องตัดสินใจทิ้ง เพราะว่าไม่คุ้มค่ากับการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับยาที่หมดอายุการหมดอายุหมายความมาความเป็นยาเขามันก็หมดไปแล้วถ้าคืนรับประทานเข้าไปก็จะเกิดอันตรายเราก็ลดเว้นยาที่กุฏิอันมาเนี่ยบ่อยนะฮะคือขนทิ้งกันเลยแลหละเด็กเอาไปทิ้งกันเลย พระยาดโยมที่รู้ว่าเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็มีความหวังดีเอายามาถวายแต่ถ้าเราจะสัญยาตามที่โยมถวายทุกขณนะเ น, นี่ยเราก็เสร็จแหละเพราะส่วนใหญ่มันก็ไม่ฉันแต่ว่าจะไปขัดขวางศรัทธาเขาก็ไม่ได้เก็บไว้พอดูหมดอายุเราก็ทิ้ง ยาอะไรที่เห็นว่ากวรจะฉันได้ยังไม่หมดอายุก็ฉันทดลองดูเมื่อไม่เห็นผลก็หยุดมันก็ต้องเน้นปัิญาซึ่งหมอกขั่งแต่มาอย่างนั้นเวลาเนี้ยมีการโฆษณายาจากสื่อโทรทัศน์นี่เยอะมาก เรียกว่าเช่ากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแต่ว่าคนที่มาโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นไม่ใช่หมอสักคนเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราถามว่าอยอยเนี่ยเขารับรองหรือไม่ปฏิทินเขาบอกว่ารับรองมันเป็นเรื่องที่จะต้องคิดได้มากคือสุ่มเสี่ยงมากเกินไปก็ ไม่ควรยุ่งจะได้แล้วก็ดีที่สุดแหละเวลนี้ที่จริงกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆมันได้บอกเอาไว้เช่นว่าทางห้ามผ่านตรงนี้ห้ามเด็กเข้าเด็กอายุเท่านั้นห้ามข้าอะไรแต่ะ อ, ะอต่างๆมันก็บอกควรไว้นยนะเพราะคนที่บอกเนี่ยเขารู้ว่าถ้าข้าไปแล้วจะเกิดอันตราย เขาก็บอกด้วยเจตนาดีหวังดีควรจะถือตามปฏิบัติตามแล้วในสุดก็ทรงแสดงเรื่อยมาน ะ, ะมาถึงการกอเพื่อนเลวเรื่องเพื่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่ส่วนมากแล้วคนที่เสียเพราะเพื่อนเนี่ยมันเยอะแต่ละปีแต่ละปี เสือพูดเสือคนไปในแต่ละปีเพราะไปกับเพื่อนไม่ดีอาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในนามของอบายามุกสรุปง่ายๆว่ามันถ้าเราถือหลักที่ทรงแสดงในวงคลสูตรว่าการไม่คบผ่านคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชา คนที่ควรเว้นก็คือพูกปานปานจะในรูปแบบใดก็ตามก็ควรเว้นการคบหาสมาคมร่วมกินร่วมอยู่ร่วมไปร่วมเที่ยวร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมทํางานทําการในคนเหล่านั้นการจะสงเคราะหนาอนนเคราะห์ก็ถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ ก็ต้องไม่ทำเพราะว่าการต้องกอคนผ่านนั้นไม่มีมมีทางที่ จ, จบในครั้งเดียวในสุดเขาก็มีวิธีที่จะพูดรลอมเรียกร้องความสนใจความเมตตาสงสารเทได้แหละสรุปในตอนสุดท้ายว่าภิกษุ พิจารณาโดยแยบขายแล้วเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรเที่ยวไปนั้นและมิตรผู้หลามกพิสูุทั้งหลายอัสวะและความเล่าร้อนอันประแำกระทำความคับแคนเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกูุนั้นผู้ไม่เว้นสถานที่หรือมิตรหลามก อาสวะและความร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เว้นอยู่อย่างนี้นี้ก็คืออาสวะที่พึงละได้เพราะการละเว้นแต่เป็นเรื่องการตัดสินใจของคนเองนะครับคือคนจะฟังสติคนก็าตามภาคปฏิบัติทุกคนต้องเว้นด้วยตัวเอง บางอย่างมันไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาหารบางชนิดเนี่ยคนอื่นก็รับประทานได้แต่ว่าเรารับประทานไม่ได้เราก็งดเ็นเคยทดลองพวกน้ำดื่มทั้งหลายเนี่ยคือถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดปัญหา เลยปลให้เด็กเขาไปดื่มดูปรากฏเด็กไม่มีปัญหาอะไรนั้นก็หมายความว่ามีสิ่งเป็นนั้นมากที่มีปัญหาเฉพาะตัวคนไม่ใช่เป็นปัญหาแก่คนทุกคนแต่ว่ากลุ่มของอบายมุขทั้งหลายนั้นมีปัญหาแก่คนทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบบายมุข แต่นั้นบัณฑิตที่ฉลาดคือรู้จักรักษาตนรู้จักคุ้มครองตนก็ควรจะป้องกันตัวเองไว้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเดียวนั้นข้อที่หกอาสวะที่พึงละได้เพราะการบรรเทาคกอเราเห็นว่าอาตวะที่พึงละได้โดยการบรรเทาเนี่ยคือหมายความว่าสงบความรุนแรงของมันลงไป ถ้าเราสงบความรุนแรงเนี่ยกามาสวาภาวะสวาอวิชาสวาก็ลดความรุนแรงลงไปอันตรายมันก็หมดแต่ว่าแต่ถึงก็จะดับเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แหละเพราะอะไรเพราะว่าส่งเน้นไปที่อกุศลวิตตกสามประการ เห็นว่าอากักษลวิตกสามประการเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับอาสวะกามวิตกมันก็พวกเดียวกับกามสวะพยาบาทวิตกก็พวกเดียวกับอภิชาหิงสาวิตกก็พวกเดียวกับวิชาแต่ใน ภาวะสว่านนั่นแหละมันก็ออกไปได้ทั้งทั้งสามอย่างนะให้ลองสังเกตว่าการ ต, กตึกตึกบางอย่างเนี่ยต้องการจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นการตึกนึกบางอย่างก็ต้องการจะแก้แค้นโต้ตอบทําลายล้าง แต่ว่ายังไงก็ตามการสึกนึกอยจากนั้นมันก็ามาจากอาวิชชาหรือความมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาวันก่อนดูรายการเขารายงานถึงประเทศต่างๆชีพผู้ปกครองนานจนบางประเทศตั้งสามสิบปีการอียิปต์เนี่ย ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยก็ครองมา29ปีพร่มะเองในตามช่วยเนี่ยเพิ่งได้18ปีเท่านั้นเองก็แสดงให้เห็นได้ว่าอายุคนเห่นั้นก็แก่ลงไปแต่ว่าเขาไม่คิดถึงคนรุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนตัวเขา ทำไปทำไมก็นึกว่าเขาจะอยู่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดรนแก่แล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางอำนาจที่ตัวเคสัญญามันก็เกิดจากภาวะตัหาอภภาวะสวะแล้ววิชาสวะอวิชาสวะก็คือไม่รู้ว่าตัวเองต้องตายคนเอาเพียงแต่คิดว่าตัวเองต้องตาย คือจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็เป็นคนดีไว้ก็แล้วกันการเป็นเนี่ยเราก็เป็นไม่ได้นานหรอกเพียงแต่ว่าเราอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้นแล้วก็จบลงที่เราไม่ได้เป็นอะไรคือเป็นศพแต่สเปรงมันก็กลายเป็น ส่วนประกอบร่วมของดินน้ำลมฝออากาศแต่พอเป็นศกมันก็แยกสลายกลายเป็นธาตุต่างๆออกไปเหลืออยู่นานหน่อยก็คือธาตุดินกระถกระดูก้งหลายแต่ก็ไม่ใช่เราแล้วมันก็เป็นธาตุดินไปแล้วธาดน้ำอาจจะหายไปได้เร็วธาดลม ก็ที่จริงก็ก็แฝงอยู่ในท่านดินด้วยนั่นแหละเกียงแต่ว่าอาการมันไม่ปรากฏราการคิดถึงความตายไปบ้างเนี่ยจะไปช่วยบรรเทาพวกวิตกเหล่อนี้ยกุศลไม่ตกทั้งหลายพวก อ, อกุศลไม่ตกทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้ใจเตลิดเปิดเปิืองไป จะเหนียวนึกถึงกามิตกเนี่ยนึกถึงสิ่งที่ตัวเองใคร่ต้องการได้ต้องการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นบางทีเอากข้จริงเนี่ยมันก็ลืมนึกไปว่าในขณะที่เบื่ออยากได้แต่ชีวิต เราเองก็ใกล้ความตายเข้าไปคือใกล้ไม่ได้เข้าไปไปส่วนจะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้แต่ว่าโอกาสที่จะไม่ได้เนี่ยใกล้เข้ามาทุกขณะทําไมจึงสอนระดับบรรเทาเพราะเลยเพราะว่าใจมันเป็นเหนียวนึกอารมณ์เก่าๆขึ้นมาอาจจะเลึกย้อนอดีตก็ได้นาคตก็ได้ หรือว่าเนียวนึกก็าในปัจจุบันก็ได้แล้วในส่วนสุขภาพจิตนี้ก็เสียถ้าฝึกนึก้วยการมิตกมากใจมันก็สายพลั้นถ้านึกถึงอากาศทยาบาทมากมันก็พลั้นไปอีกแบบหนึง่งถ้าฝึกนึกไปในแนวของ วิ่งสาวิตกจะตึงนึกในแนวเบียดเบียนอย่างเหงการ์ในประวัติศาสตร์ต่างๆเราลองนึกดูถึงอโกรามรามเกียดี ก, ก็ได้ว่าพระรามเองก็ตรึกนึกถึงนางศีดาแล้วก็แคนพระรเอหญ่แคนทศวักัน ซึ่งก็หมายความว่ามีทั้งกรารมิตกแล้วก็มีทั้งพยาบาทมิตกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทศ ก, กัณฐ์ก็ตึ่นหนึ่งอย่างนั้นต้องการให้นางสีดาเป็นพัญญาเป็นมหสีองตุเด็กในขณะที่เดียวกันพระรามก็ถูกมหสีขึ้นแต่ก็ได้มาเนี่อ้หลายปี กว่าจะได้นังสีดามากหลายปีแล้วในที่สุดก็สิ้นไปชนเกิดไปด้วยกันทศการก็ล้มไปเลยล้มไปก่อนบทเรียนประวัติศาสตร์ของเราเราสอนในแนวประวัติศาสตร์เช้อย่างเดียว แต่ถ้าเรามองสาวให้ลึกแล้วเราจะเห็นอาการเคลื่อนไหวของกุศลกับอกุศลที่ปรากฏในพฤติกรรมของบุคคลเรานะคือมองให้ผ่านมองให้ทะลุแล้วเห็นว่าที่จริงนี้ไม่ใช่อะไระเป็นธรรมะล้วนๆที่มันหมุนไปอยู่ตามแรงผลักดันของของเจตสิกธรรมอ่ะของ กุศลมากุศลและอัพยกฤตแต่ว่าอาการที่แรงเนี่ยก็คือเรื่องของอากุศลโดยเฉพาะการต่อสู้กันทางการเมืองมนหาหรือโค o o ุนแรงนานมาแล้วที่เหตุการณ์ที่อแองจีเรียหรือว่าอินเดียเนี่ยก็แนวนั้น หมายความมรดิกาศของผู้นำเนี่ยสังหารตัวผู้นำเองมันก็สแสดงให้เห็นว่าชีวิตเราเนี่ยตายแน่แต่ว่าตายยังไงเนี่ยก็ไม่รู้แต่ตายแน่พะถ้าเราบรรเทาอากุศลวิตกเสียได้แล้วก็คุมอากุศลไม่ได้ยังบวบ มันจะมีการยับยั้งชั่งใจได้เพราะใดเพราะว่าน้ำหนักมันจะเทไปที่ในคัมวิตกคือการเหนียวนึกตรึกนึกในการที่จะสลัดตัวเองออกจากอำนาจของกามทั้งหลายของกิเลสกรมนั่นแหละแต่พวกวัตถุกรรมเขาก็คงอยู่ เพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในโลกเนี้ยมันเป็นวัตถุกรรมเราก็ยกจิตยแยกมาท่านั้นเองเขาก็คงอยู่เขาอย่างนั้นแล้วก็เป็นที่ปรารถนายื้อแย่งต้องการของคนทั้งหลายกันต่อไปตลอดกาลนานะนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังเป็น โลกระดับการมาวาจารภูมิอยู่ก็เราไปแก้อะไรเด็ดขาดไม่ได้แต่นั้นจริงรับสั่งในโครงสร้างเดิมในโครงสร้างเดิมว่าภิกษุทั้งหลายก็อสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความขับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ไม่บันเทากามิตกเป็นต้น อาสะวะและความเร่าร้อนกานกระทำความคับแค้นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้บันเทาอยู่อย่างนี้นี้ก็เรียกว่าอาสะวะที่ละได้โดยการบันเทาประการสุดท้ายเป็นหลักการปฏิบัติก็แนวอดีะไม่ใช่แนวมักขนัตนแหละ เพียงแต่ว่าทรงเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการว่าจะจะถนัดทำยังไงล่ะก็ปฏิบัติไปตามนั้นก็ให้คนเลือกเพ้นเอาเองประการต่อไปนั้นเป็นเรียกว่าอาสวะที่บึงลาดได้ด้วยการกระทำบำเพ็ญหรืออบรม หมายความว่าการเพิ่มกุศลเพิ่มปริมาณกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นภายในจิตแล้วกุศลกับอกุศลเนี่ยเทียบง่ายๆก็เหมือนกับความมืดกับแสงสว่างเนี่ยถ้าแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นเนี่ยความมืดก็ต้องลดลงลดลงไปแต่ถ้าความมืดเพิ่มขึ้นพพมมเพิ่มขึ้นแสงสว่างก็ลดลงลดลง นะแม้แต่พระอาทิตย์ที่สว่างจ้าขึ้นมาเกิดเมฆว่นใหญ่ๆผ่านมาพระอาทิตย์ก็ต้องเศ้าไปเศ้ามองไปเพราะว่าปริมาณของความมืดเขาเพิ่มขึ้นแน่นอนในด้านอื่นๆพระอาทิตย์ก็ยังส่องอยู่แต่ว่าด้านที่เมฆบดบังเอาไว้ก็ต้องมืดมัวไป คำสอนระดับนี้จะสอนมากคือหมายความว่าจริงๆในสัมมาวยมายามะคือความพยายามในทางที่ชอบเนีเป็นการสอนการปฏิบัติเต็มรูปตามสมควรแ ก, ก่กรณีของกิเลสและธรรมะ มาความากิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดก็พยายามป้องกันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามมองเห็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละกุศลที่ยังไม่เกิดก็พยายามเพิ่มขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้ทีนี้เราจะเห็นว่าฝ่ายอาคุศลเนี่ยที่ยังไม่เกิดเกิดไม่ได้ที่เกิดแล้วลดลงไป ก็หมายความว่าปริมาณของกุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปโดยลําดับแล้ถึงจุดหนึ่งอกุศลก็ถูกทําลายไปก็อย่างการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเป็นรู ป, ปรธรรมก็คือว่าเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไป เหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปพอไปดาบได้ถึงจุดนั้นก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดหรอกในะความมากามาสวะปาวะาสวะโดยชื่ อ, อย่างอื่นก็ตามประเภทกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันก็หมดแล้วเป็นการคือบางทีทรงอุปมาทรงอุปมาว่าเหมือนกับบุคคลถอ น, อนต้นไม้ขึ้นมาพร้อมทั้งราก แล้วก็เอาเผาไฟบางอย่างอาจจะยังเหลืออยู่ก็สาบไปล ะ, ะเอียดแล้วก็เผาไฟจนไม่เหลือแม่แต่เนื้อเยื่อที่จะงอกขึ้นเป็นต้นไม้ชนิดนั้นได้ก็แสดงว็าทำลายต้นไม้นั้นสาเร็จแต่ว่าเรื่องของกิเลสนั้น กำไรได้ขณะนั้นต้องเป็นระดับประอรหารต์ไปแล้วเราะสิ่งที่ควรกระทําบําเพ็ญได้บังเกิดขึ้นที่ท่านใช้คําว่าอบรมกระทําไห้มากกระทําบ่อยๆกระทําจนเป็นญาณผานะของจิตคือจิตมันเดินไปตามกระแสของกุศลธรรมเหล่านั้นก็ที่จริงก็คืออริยมรรตนั่นแหละ แต่ว่าทรงแสดงในนามของโพสุงแปลว่องธรรมที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติทําให้สรุปธรร ม, รรรมก็คือสติสมัมโพชุงเรียกเต็มที่ว่าสติสมัมโพสุงแปลว่าองค์ธรรมที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมคือสติก็แรีกรแก่การตั้งสติ เรลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมในชั้นแรกก็เน้นที่ให้จิตสงบพอเกิดสมาธิแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาก็เป็นหลักของวิปัสสนาตพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราจะได้ยินคำสองคำว่าสามถโทจะวิปัสสนาจะคือสมถะและวิปัสสนา แต่บางทีก็ทรงแสดงเต็มที่นะฮะทรงแสดงเต็มที่แบบอาเดียมักข้อนี้ก็คือสมาสติประการที่สองคือธรรมวิจยะสมโพชฌงแปลว่าองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดสรุธรรมคือธรรมวิจยะธรรมวิจยะเป็นปัญญาสิกขา หรือเป็นวิชาก็ได้เพื่อตรงกันข้ามกับวิชาในขณะที่เราเพิ่มปริมาณของธรรมวิจัยหรือวิชาหรือปัญญาก็ได้ชื่อต่างกันนะแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไปทำลายฐานรากใหญ่ของอาสวะทั้งสามนั่นกวิชาก็ ลดลงลดลงจางลงจางลงกาวาดสวะผวาสวะก็ลดลงจางลงคลายลงตามไปด้วยคือการยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาด้วยการปฏิบัติตามไปด้วยจะยกตัวอย่างว่ายกอ น, นิจจังขึ้นมาพิจารณา อั น, นจตาทุกขตานัาตายาเงี้ยเอามาคิดเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นนิรันด์แล้วในสุดสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ด้วยในขณะเดียวกันในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เป็นอนัตตาด้วย และสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นอันมากนะก็ไม่เจียงเป็นทุกข์แต่บางอย่างก็เป็นเฉพาะอนัตตาก็คือปณิพนั์อย่างเดียวก็ทาให้เราคิดเราเข้าใจอะไรอีกเยอะเลยพระทรงเวลานำมาเทศนาสั่งสอนแสดงอะไรต่อะไ ร, ต, ออะไรต่างๆเนี่ย อย่างเวลาที่บายในมาสรสถานแาะสูตรนีว่ากันพิสดารล้วเราจะเห็นว่าการวิจัยนี่มันก็คือการใช้ความรู้ความเห็นเป็นสัมมาสังกัปปะคือความรำบลิกในทางที่ชอบแต่ก็คิดในทางที่ชอบ คิดตามที่เห็นและเห็นตามที่คิดธรามะทิ่ติก็เห็นโดยปัญญาเห็นด้วยปัญญานะฮะผลคิดก็คิดด้วยปัญญาแล้วจะเข้าใจเข้าใจธรรมะก็ยังนึกถึงว่าสังคมเราน่าจะรุนแรงเอาอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ขยายมาก เอาอย่างเดียวปัญหาสําคัญว่าคนที่เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาต้องเป็นฐานที่ตั้งของความเคารพนับถือศรัทธาของผู้ที่เสนอประเด็นนั้นคือบางทีมื่เราก็ซ่อนซ่อนอะไรประเด็นเช่นสมมติว่าเราจะไปเรียกว่า ศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเออศาสนาโน้นเขาก็คัดค้านว่าไม่ใช่คําสอนเพราะว่าเราจะติดในศับเนี่เยอะมากเราจะติดในสับเนี่เยอะมากโดยไม่ติดในถึงเนื้อหาว่าเนื้อหาถ้าธรรมะเป็นสัจธรรมในศาสนาแต่และศาสนาถือว่าคําสอนของศาสนาตัวเองเป็นสัจธรรมสัจธรรมต้องมีอย่างเดียวอะ มันมีสองอย่างไม่ได้หรอกว่าสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงฮะสังขารในศาสนาไหนก็ได้คนในศาสนาใดก็ได้ก็ต้องไม่เที่ยงในแต่คาสอนในศาสนาทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงเราก็เห็นว่ามันเสื่อมไปเยอะอี่แร่หลายไปก็ไปเกิดทือ บางประเทศก็หายไปเลยต่นนั้นเราก็อาจจะยกเอาง่ายๆเอาอะไรล่ะคือมองสังเกตว่าการมาสวะประวัติสวะวิชาสวะหรือที่เราเรียกคุณมากเนี่ยเราคือโลกวดหลงถ้ากับคนเรามีความรู้สึกเป็นมิตร เอาแทนที่จะพูดเมตตาเนี่ยไม่ต้องพูดเมตตาหรอกพูดว่าเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันหรือว่ารักกันรักกันรู้สึกจะสื่อสารได้ง่ายเอาตรงนี้ได้เลยก่อนเช่นคนไทยรักกันในฐานะที่เป็นไทยด้วยกันเอาวงมันแคบอยู่ในประเทศเราก่อน แล้วกับคนที่เราเป็นมิตรเนี่ยเราจะไม่มีโทสะคือความคิดอย่าประทุษร้ายในขณะเดียวกันก็มีความรู้ความเข้าใจทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตตามความเป็นจริง เรืออจจ่อดียาวยาวไปเราก็ใช่แค่ความนมิตรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเป็นมิตรแล้วเราก็ไม่ทะเลาะ ก, กันแต่ความเป็นมิตรต้องยังอยู่นะฮะถ้าเป็นมิตรยังอยู่แล้วเราจะไม่ทะเลาะ ก, กันก็หมายความหมายโทสะมันก็ลดหรือว่า ใช้ปัญญาพิจนาให้เข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นใรสุดราก็เป็นมิจฉาเพราะงั้นที่พุทธศาสนาสภาสิตีว่าโลโกโปรธรรมบิการเมตตาในตาเป็นธรรมคำตุนโลกแต่เราทำได้จริงๆก็ขี้เกียจยาอยู่เป็นสุขแล้วบ้านเราเนี้ คือมองถึงข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกว่าการาศึกษ า, าของเรามันก้าวหน้าไปเยอะนะมีปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกโอบางคนนี่ลุกศิษย์ที่บวชที่วัดเนี่ยพระหนุ่มๆ น, นี่นะมีเป็นอันมากที่เป็นปัญญาโทอายุก็ไม่เทา่าไรแต่ยี่สิบกว่ากว่าจบปัญญาโทมาแล้วมาบวช แต่ทำไมเรามีปัญหาเรื่องศีลธรรมเยอะจังบางทีมันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่ไม่เข้าใจเลยคือแทนที่จะสาวปัญหาไปสู่ไอ้ต้นเหตุจริงๆเนี่ยต้นเหตุของปัญหาจริงๆสาวไปเถอะมันก็เจอการมมาสวาะสดภาวะสวัสวิวิชาสวะเนี่ยเเจอตันหาสามเจอโลกกฎหลงนี่แหละ มันไม่อื่นไปจากนี้ตลอดชั่วนิรันดร์เพราะเราจะมองคนที่ทำผิดเนี่ยด้วยความเมตตาสงเอ็นดูนะครขอสูญเสียความเป็นตัวกันตัวเองก็ทานองคด้คนถูกผีสิงเนี่ยเราจะเอาอะไรกับเขาว่าเออเพราะแกไม่มีความเป็นตัวตัวเองการกระทำทั้งหมดมันถูกเชิดทั้งนั้นเล โดยการบงการของผีก็ควรแก่การเมตตาและก็ให้อภัยคือส่วนบากปรกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องรับโดยตัวงเขาเองแต่ว่าส่วนของกฎหมายนี่มนุษย์มันเขียนขึ้นมนุษย์เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย เพหลักการก็กฎหมายมันจึงวางไว้ถ้าเรายึดหลักตรงนี้ได้หลักที่ว่าจริจริงก็รัฐธรรมนูญนะฮะก็ว่าอย่างไอย่างนีน้ว่าเมื่อมีการกล่าวหาในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์จนกว่าศาลสูงสุดจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ก็ปล่อยไปสู่กระบวนการเด็หาก็เดินไปตามกระบวนการเขาแล้วถ้าผิดมันก็เป็นไปตามกรรมของเขาถ้าก็ถูกมันก็เป็นไปตามกรรมของเขาแน่นอนว่าในขณะที่ศาลสูงสุดตัดสินว่าเขาบริสุทธิ์นั้นเขาอาจจะไม่บริสุทธิ์ แต่ว่ากฎหมายก็ทําอะไรเข้าไม่ได้เรอยกรรมก็จัดการไปกรรมก็ทําหน้าที่ของกรรมไปคือกรรมเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเราอาจจะรอดพ้นจากเงื้อมือของกฎหมายไปได้แต่ว่ากรรมมันติดตามเราแบบเงาที่ตามตัวเราไปกรรมก็ทำหน้าที่ให้ผล น่หมายความว่าถ้าเรามีความคิดระบบตรงนี้เราจะเห็นว่าความคิดมันจะกลายเป็นสมาสังกับปะหรือความดำริในทางที่ชอบกษัตร์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาไม่ใช่เราไปเจ้า ก, กี้เจ้า ก, การจัดการแทนกรรมเพราะถ้าเราไปจัด ก, การเขาแทนกรรมเนี่ยเราก็มาสร้างกรรมมาแก่ตัวเอง ตอนการฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยไม่มีการฆ่าอะไรที่ไม่บาปเพราะเราทำด้วยโทษะและโมหะไม่มีใครผู้ควรต่อการฆ่าแม้แต่ศึกสงครามที่บุกรุกเข้ามาคนที่ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินก็ต้องเสียสละตัวเอง แล้วก็รู้ชัดเจนว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นบาปแต่เพื่อปกป้องประชากรส่วนใหญ่เอาไว้ตามภารกิจที่ตัวเองเป็นอยู่ก็ต้องทำหน้าที่แต่ไม่ควรจะใส่ความอาฆาตมาร้ายต้องการพินาศเก่งพิฆาตเก็นค่ายอาสัน อย่างสมัยที่เรามีคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าข้ามันข้ามันข่ามันฝึกกันอย่างนั้นนะข่ามันข้ามันคือยังไม่เคยคุยอยู่คนเ่านี้ว่ามีความคิดอย่างไงบ้างในขณะที่เปล่งวาจาว่าข้ามันข้ามันแล้เป็นความคิดที่น่ากลัวแล้วถ้าบอกว่าคนอื่นก็มาฆ่าเราด้วยจะว่าไง แต่โลกนี้มันต้องพัฒนาไปอีกเยอะนะกว่าจะกว่าจะใช้ภาษาธรรมะกันได้แล้วก็ในส่วนสังคมซึ่งมนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์นียอะไรอาภัยได้ก็อาภัยกันคือหมายความว่าเราไม่ถือสาหาความในประเด็นของตัวบทกฎหมาย แต่ว่าปล่อยให้เขาเป็นไปตามกรรมเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการต่อสู้ทางการเมืองในส่วนต่างๆของโลกนั้นเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งก็จะมีการอะไรอะ่ะมีนิโทษกรรมมีล้างมนทินมีอภัยโทษอะไรต่างๆขนาดอาดีตประธานา ทิป ด, ดีเด น, นสันเมเดล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ในคุกตั้ง27สบ็ดปี27็ปีเนี่ยก็จะทัดไปขังเฉยๆท่านออกมาถึงนี้ท่านไม่ถือสาหาความเลยแต่ท่านก็กลายเป็นประธานาธิบดีได้รับรางวัลโนเบลกลายเป็นรัฐบุรุษของแอฟริกาพวกวเราเานี้ถ้าเรามาใชา้กันบ้าง แต่เราต้องมีธรรมวิจัยคือวิเคราะห์สวดสองสวดส่องสวดส่องธรรมะแล้วในสุดก็จะเห็นว่าเออสัตว์เหล่านี้สร้างบาปกรรมมาเยอะคือเราไปลงโทษแทนเขาเนี่เราก็เป็นบาปนะฮะลงโทษแทนเขานี่เราก็เป็นบาปไม่ใช่ว่าเราได้บุญขึ้นมา แต่ว่าก็ อ, อีกแหละสังคมโลกมันก็เป็นสังคมของคนชั้นกามาวาจรในความคิดที่เป็นสมาสังกัปปะคือดําริชอบดําริในการที่จะถ่ายถอนความเข้มข้นของกิเลสกรรมก็ไม่ค่อยมีเสื่อให้คิดอะไม่ค่อยมีเสื่อให้คิด และจะถ่ายท้อนความอาฆาตพยาบาทยิ่งไปกันใหญ่เรื่องไม่รู้สักกี่ปีแล้วยังเอามาอาฆาตพยาบาทกันอย่างไทยกับพมา่าเนี่ยเราใหญ่เลาจะอาเอามาพูดกันนะนะประเด็นเหล่านี้เรื่องของคนตายไปไม่รู้สักกี่รุ่นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวิหิงสาธาตุคือความคิดเบียดเบียน มันเป็นธรรมชาติลึกๆเขาเรียกว่าพระเรียกให้ให้ให้ถูกต้องเลยว่าเป็นสันดานดิบของมนุษย์ของสัตว์โลกคือนิยมจนจอบการเบียดเบียนพอเบียดเบียนเนี่ยมันเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นคือการสารัดน้ำก็าหากันนะตางคนต่างก็เปียดเบีย ไม่มีใครที่สะอาดถึงสะอาดโครนเอาสาดโครนกันแล้วกันเห็นได้ชัดเลยว่าตางคนต่างก็เปื้อนแต่ถ้าชกต่อยกันต่างคนต่างก็บาดเจ็บแล้วต่างคนต่างก็ผิดกฎหมายอย่างน้อยก็ก่อการทะเลาะวิวาทด้านความท ร, รมวิจัยเนี่ยถ้าเรามาคิดมาคิดคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆ วันก่อนได้อ่านหนังสือลูกศิษย์เขาให้ให้ดูเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าคนนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะอิทธิบาตสี่ประการและถ้าเราคิดออกมาเป็นรูปธปรรมก็จะได้ประโยชน์จากอิทธิบาตเป็นนั้นมากเช่นเดียวกันทั้งฟังทั้งหล